ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพากันฟังที่เฉยอ้าหากว่าเราไม่ได้ปุ๊บฝนออกลมตนจิตของตนให้เป็นเครื่องรับรองธรรมะค ำ, ำส อ, องพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระองค์ทำไม่ได้ตั้งแตั้งาตรงไหนแค่ทำคำสอนที่พระพุทธเจ้า เขาออมาเทศนาสวยแพร่ที่เรียกว่ า, าศาสนาให้พวกเราได้ปฏิบัติพ็คือตามนั้นะเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้นะท่านต้องฝึกฝนอบรมตัวงพระองค์อยู่ตั้งนาน6ปีที่เราทำทุกขิริยาดไม่ายามฝึกฝนใจอย่างเดียวอบรมใจอย่างเดียวเพื่อให้ใจถอนเราเจาจาก โลกคือความโลภความโกรธความหลงให้ใจขอนออกจากกองกิเลส ธ, ธรรมะกับกิเลสเคปัญญามันเป็นเครื่องข้ออกกิเลส ธ, ธรรมะกับกิเลสมันเป็นปรปักษ์กันธรรมะที่ทั้งส่งไปเจ้าที่บริสุทธิ์มันเป็นปรปักษ์กั น, รร น, น, กกนกตัวกองกิเลสเช่นท่านสอนใหพาตัละจารคากิเลสอันนี้จะสะสมอยากจะได้ สอนในสละจะ่าพระเฉลยความสุขในใจคนอื่นแต่กิเลสมีจต่ตาสองอยากจะกอบโกยออกมาเข้าตัวอันนี้เป็นปรปักญาคุณ อ, อย่างเนี้ยถ้าคนใดยังมีมัจฉายาจะนี่อยู่ในใจท่านสอนสละไม่ค่อยอยากจะฟังท่านสอนในจ่าพระเฉลยความสุขในใจคนอื่นไม่อยากฟังเป็นคิดเป็นสงเิตขึ้นมาในใจถ้าคนใด คือมีการสละจากพะเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วท่านสอนนักสละจากพะเพื่อเฉลี่ยส่านสุขของตนที่มีอยู่เพื่อคนอื่นมันทราบซึ่งเท่าถึงหัวใจดีอกดีใจอิมเรืงใจว่าตนปฏิบัติถูกต้องตามทํานองของธรรมขั้สองของทธิจกรเห็นตามด้วย สุขทั้งตนที่ตนได้ให้คนอื่นสุขทั้งคนอื่นที่ได้รับของแก่จากเรานี่แหละคือว่าคิดอธิบาพื้นฐานของธรรมะถ้าหากวมันมีที่ตั้งตำราพื้นฐานตนให้มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วธรรมะมัข้าไปตั้งลงไปได้มันมีที่ตั้งที่อยู่อันนี้ ถ้ากัวมาเตียบเทียบไปให้ฟังพอเป็นอุทาหรณ์เช่งการทำถานดังอธิบายมานี้ส่วนเรื่องอื่นนอกประเด็นนั้นอีกที่ท่านสอนในตา่ังทำความสงบอบรมใจอย่าให้ฟุ้งซ่านตรงไปหน้าหลังถ้าหากว่าเรายังไม่ทันทำความสงบอบรมสมาธิยังไม่ทันได้ ท่นสอนเนี่พากันสงบอบรมสมาธิไม่ฟงุงซัานก็เป็นปรักญากันอีกละไม่ไปชอบไม่ไปอยากฝักมันจะสุขที่ไหนจะเคินแต่ทรงใยอยู่ขนาดนี้นมันก็ยังไม่มีความสุขเพียงพอถึงความต้องการสงบแล้วมันจะได้อะไรนิ่งเฉยสงบอยู่คนเดียวมันจะได้อะไรมันก็เป็นคนโง่ทางนี้นั้นเลยไม่เข้าไปเรียกว่าเป็นปรักญา ต้องธรรมากคือที่ท่านสอนให้สงบถ้าคนใดมาตั้งใจสึกผลจิตแจงตนให้สงบคือบางทีเห็นตัวเองอีกทั้งความยุ่งเหยิงและวุ่นวายเห็นเป็นอันตรายของความสุขถ้าหากเราสงบอยู่นิ่งโดยไมีความเบิดบานเยือกเย็นอยู่คนเดียวพอดีท่านอธิบายทั้งเรื่องความสงบ ว่าเป็นความสุขสมกับบาลีที่ว่านัตติสันติบาลังสุขความสุขเสมอได้ความสงบหม่มันกล้าดึนเขาจะถึงใจเลยแม้มันสมจริงทุกจริงทุกตาความสงบเป็นความสุขจริงแท้จริงเพียงใครจะให้เงินหมือนเงินแสนใคจะให้วัตถุสิ่งของในใดก็ตามไม่ได้รับความสุขเหมือนกันกัเราได้รับความสงบ เพราะท่านสอนในสละมันสละอยู่แล้วคิดฐานที่สละจิตนันิดฐานที่สละอยู่แล้วรู้สึกเห็นโทดอยู่แล้วในการวุ่นวายเราพยายามอยากจะถอนอยากจะละอยู่แล้วเพราะท่านถอนเพราะท่านสอนว่าการละความวุ่นวายสงสยัยจิตสงบลงไปได้นั่นแหละเป็ น, นสอนศพจริงก็เลยไปจิตรู้ถูกใจเลือคอบใจใจของเราหนักแน่แน่วแน่แนไปอีก จะมีแต่สัญญาณที่จะรักษาความสงบนั้นในได้และก็หาอุบายที่จะทำความสงบมัน้แน่นแฟนยิ่งจะไปกี่ยวกับเนี่ยคํา ท, ที่ว่าฐานของธรรมะมันมีอยู่ท่านทั้งหลา ย, ยที่อธิบายมามากมายของนั้นแต่ถ้ามีฐานเป็นที่ตั้งแล้วพระญาติจิตจับได้เพราะธรรมะทั้งสองของพระเดเจาที่พระองค์ออกมาประกาศนี้นั้น ล้วนจะเกิดจากความสงบจิตของพระองค์เป็นสมาธิแล้วทำละจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ุก๊ค่องดีแล้วนั้นสิ่งใดที่มาผ่านมาปรากฏในนั่งกับปรากฏชัดขึ้นมาเลยเหมือ น, ก, น ก, กระจกที่ใสสะอาดละอองนิดเดียวมาติดอยู่ตับลูกก็เห็นว่ามีละออง จิตของพระพุทธ อ, องค์ใสสะอาดแล้ว่ี่ิเลศทั้งหลายจะมาผ่านตรงนั้นก็รู้ได้เห็นได้ชัดเห็นหน้าเห็นตาเห็นลักษณะท้าทีเจียามันชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นนั้นพระองค์จึง<ม>นา ม, มาประกาศแลยหนา ม, มาสอนคือมาตั้งศาสนาให้พเราได้ปฏิบัติเช่นที่พระองค์ท่านสอนว่าความโลภเป็น อันตรายของธรรมอย่างยิ่งความโลภเป็นอันตรายของธรรมอย่างยิ่งคําว่าโลภในที่นี้น่ะคือมันอยากได้มากไม่ใช่ว่ามันอยากได้พอดีพอ ง, งานอยา่างบางคนที่ซื้อขายซื้อถูกขายแพงแลกเปลี่ยนเอากาผลกําไรก็เป็นตามธรรมดาแต่อันนี้มันอยากได้มากๆจนไป่จนเลยเกิดเป็นการเสาะการโกงขึ้นมา อันนั้นโลภเกินประมาณเรียกว่าท่านว่าโลภอันนี้มันเลยเป็นเป็นอันตรายของธรรมธรรมคืออะไรเมื่อมันเกิดความโลภขึ้นมาแล้วกรรมมันอื่นที่วะมันไม่ที่เราจะไม่ทําก็ไม่มีคิอต้อจะเกิดขึ้นมาได้คงก็เกิดขึ้นมาได้รักขโมยจะเกิดขึ้นมาได้ติสต้าที่สัญญาทุกสิ่งทุกอย่างกลัวก็จะดีกลัวก็เกิดขึ้นมาได้นั่นอาจจะมาเป็นอันตราย ของธรรมทั้งหลายคือธรรมที่ความสงบนั่นเองอั น, นตรายของความสงบความสุขนั่นเองเมื่อเกิดความโลภเข้ามาแล้วก็ร้อนวุ่นวายความโกรธก็เป็นอันตรายของธรรมอันหนึ่งเหมือนกันถ้าโกรธขึ้นแล้ปิดนิดความสุขสงบไม่นี้ไม่เห็นจิตแห่งใจตั้งแต่ถ้าโกรธแล้วก็มืดนิดปิดหมดเลยถ้าธรรมเกิดจากความสงบ จิตที่สงบและใสสะอาดดางอธิบายมาแล้วอันนี้ถ้าโลกท้าโกรธถ้าหลงขึมาแล้ิดมดความสงบไม่มีส่วนแสงสว่างสมาธิปรากฏก็ไม่เกิดนั่นก็ไม่สราบใชแไหมเอาอะไรมาพูดธรรมะคืออะไรก็มสมาธิถ้าหากแสงสว่างของจิตคือว่าความสะอาดของจิตมันมีแล้วนะมันใสสะอาดแล้วปรากฏขึ้นมาในที่ไห น, นทำทั้งหลายพูดได้อธิบายได้ว่าอะไรเป็นอะไร เห็นอยู่ในความสว่าง น, นั่นเลยธรรมคือแคว่ว่าเกิดจากความสงบธรรมสองประ็เกิดจากความสงบแค่นั้นผู้ซึ่งจะฟังธรรมธรรสองประเด็นจะต้องพาดธรรมความสงบได้จิตส่งไปมาหนาให้ตั้งอยู่เฉพาะรักษาสติกําหนดจิตให้อยู่เฉพาะในที่เดียวเมื่อจิตเฉพาะตั้ง สติลังให้รักษาอารมณ์ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านส่งไปแล้วมให้อารมณ์้าย น, นอกเข้ามาแทรกถึงในที่นั้นมีความสงบเย็นใสสะอา้นีความสงบสว่างอยู่ในที่นั้นคำว่าสว่างในตัวมันเห็นใจอยู่นั่นเองกิเลสทั้งหลายมันเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากที่อืน่นโกรธมันก็เกิดจากใจมาก่อนโลภมันก็เกิดจากใจมาก่อนความรักความค้างก็เกิดจากใจก่อนไม่ได้เกิดจากที่อืน่นเมื่อ ใจต้องสงบแล้วสติตั้งมัน่นอย่างนั้นมองเห็นใจใสสว่างอยู่ตลอดเวลาพอดีโคมโลคมันมากับปราปกฏกระพักออกไปได้กําจัดของใส่ต้องโกรธมันเกิดขึ้นมาต้องหลงต้อเกิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นโทษเห็นว่าเป็นของมัวหมองมเป็นเครื่ อ, องไรของใส่มาปิดบังความผองใส่แล้วก็จัดออกไปทําลายออกไปพากั น, นออกมันหนีไปยัเงเหลือแต่ใจอันใสสะอาดถึงแม้เราจะไม่บัญญัติว่านั่นเป็นโรคโกลงเราไม่ต้องไปบัญญัติก็ไม่มีปัญหา คือขอให้เราชำระใจเราสะอาดและกระติใจได้การปฏิบัติที่ต้องการชำระใจอย่างเดียวให้ใจสะอาดอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจรักษาใจได้อย่างนี้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาถึงคนอื่นจะไม่เทศและเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่เทศก็เป็นอันว่าเทศอยู่ในนั้นเชืนเห็นอยู่ในที่นั้นท่านเทศกับเทศให้รู้จักอันนั้นอ่ะสอนให้รู้จักอันนั้นอ่ะคือคิเลสอันที่มันมาเป็นฝ่าก็ปิดกลมสว่างอันนั้น่ะ เมื่อเราเข้าใจเห็นคัดอันนั้นเราชำาะนั้นก็เป็นันว่าเราพังเทศถูกต้องแล้วเราปฏิบัติศาสตาสนาถูกต้องแล้วที่เขาที่ท่านจะแดงก็คือเรื่องขรงพุทธเจ้ารู้ึั้งทำทั้งหลายเนี่ว่าสัพพัญญูรู้ทังสัพพะธรรมคือทำทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าท่านไปตามรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกทั่วแผ่นดินท่านไปรู้ตรงนั้นแหละของมังมา่า ที่กระกจายกระจายอยู่ใครจะไปตามรู้ได้ต้องมารวมในที่นั้นจีนเงืคอจะตามรู้ได้พระพุทเจ้าก็เช่นเดียวนะันต้องมาเห็ น, น, นาาหาาหาในที่นั้ น, ร น, นรรรรปรานะกฏในที่นั้นอะไรได้เกิดตรงเทียนจีงเลี่ยงว่ารู้ได้รู้ซึ่งสร่งสารพัดจังรวัลที่เกิดในอเทียนไปรู้เรื่องวิาชาภายนอกไม่ต้องการหรอกพระพุทธเจ้าทนายจองการเขากข้าวาา่าเทียมาจองการวิชาของโลกอันมีที่สิ้นที่สุดราิการราิกรวิชาพัฒนาวิชา การนิสกรรมข้าราชการทุกอย่างอย่างการ ท, ทําไร่ทํานาเลือกสวนต่างๆก็ดีคาดขายก็ดีมีไม่มีที่สิ้นสุดทําไปเถอะทําไปเถอะก็ทําไปเถอะคนนีญญ้ทําไปอายุร้อยี่ตายแล้วคนอง่นมาทําต่อไปอีกคนญญนั้นอายุร้อยีก็ทําไม่จบไม่สิน้นไม่มีที่สิ้นที่สุดเรื่องของโลกมันต้องเป็นอย่างนั้อิจฉาของโลกมันเป็นอย่างนัง้เหตุนั้นที่ว่าโลกเ้าหลายจะตามไปเรื่ยไม่จักจบจักสิน้น ในคนที่สุดจะหมุนเวียนกับของเก่าน่ะอย่างการอาชีพจะเป็นกเกษตรหรือว่ากาันทําไร่ทํานาเลือดสวนตาวว่างๆวานิส ก, กรรมจะเป็นการท้าสายแต่ช่างอุตสาหกรรมจะเป็นการโรงงานทํางานและต่างแต่ช่างถือทําไปแล้วแต่เวียนมาหาของเก่าน่ะมหาอะไรก็คือมาใส่ปากใส่ท้องมาเลี้ยงที่แบบนี้ พอมีชีวิืก็ยัออยงมีชีวิตยอยู่จะทั้งต่อไปอีกทำได้แหละกับกับย้อนมาเลี้ยงอันนี้แหละมาเลี้ยงจบอันนี้แหละอันนี้ยังมันยังมีชีวิตยอยู่ก็ทั้งต่อไปอีกวนไปเรียนมาอย่าแข็งเมื่ อ, อ น, นี้ยังไม่แตกไม่ดับก็ต้องเป็นไปตามเรื่องนะแตกดับไปแล้วงานนั่นแต่ยังค้างตึองอยู่นั่นแหะยังไม่หมดไม่จริ้มไม่สุดนี่เรื่องโลกเรื่นี้อันนี้เรื่องทำหายไดเป็นเช่นนั้นไห ม, ไมทำคำสองของพระเดจจา เบื้องต้นเราจะพาสั้งรูดะอย่างพวกพุทหัดพ่อายอย่างที่อธิบายฟังยอมละยอมปล่อยยอมวางถึงงานนั้นจะมีหนาแน่นสักเท่าไหร่ยืดยาวสักเท่าไหร่ก็ตามทอดเท่งปล่อยวางจิตสงบหมดทุนทางไม่มีทางไปสงบเยือกเย็นแล้วไม่มีทางไปได้รับความสุขนในเช่นนั้นถึงแม้จะไม่มีวัตถุอะไรปรากฏขึ้นกามน่าอธิบายมาแล้วพอสงบมันก็สุข เขาปล่อยว่างมันไปเย็นนี่มันไม่รอ้อนมันเย็นเพราะนั้นทำจริงม่าเป็นของเย็นทำจริงว่ามีที่จริงที่สุดอันนี้คมสุดยิ่งแท่นี้แล้วก็พอะจะรู้ได้ถ้ามีปัญญาฉลาดแเบแหลมยิ่งเข้าไปตรงนั้นอีกอย่างภาษาวก่าเราคุยใจกลายท่านตามคน้นค้นหาต้นต่อของจิ่งเท่าไรันบอกมดในโลกเช่นจิตมันส่งสายปรุงแต่งบุ่นวายในจาระพัดทุกอย่าง อันนั่นก็จะทำอันนี้ก็จะทำอันนั่นก็คิดอันนี้ก็นึกส่งไปตรงไตามไปรู้เหตุผลของมันมันทําไปทําำมาทาไปเพื่ออะไรมันเกิดจากอะไรสิ่งทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรเป็นของเราแน่นอนตามคนต่างตัวเห็นเหตุเห็นผลมาทุกสิ่งอย่างอย่างว่าเราทําสวนไม่ทานาซึ่งถือว่าเป็นของเรานาก็เป็นของเราเสืองก็เป็นของเรา ตามไปคนกล้วยเห็นหมดแต่ก่อนเป็นของไข่นอกจากก่อนที่เราจะไม่จะเอาเป็นของไข่ก่อนที่เราจะจะเอาเป็นของไข่ส่วนก็ดีที่ดินก็ดีเป็นของไข่อย่าเป็นของปู่ย่าจะทดก่อนจะปู่ย่าจะทดเป็นของไข่ตามไปตามไปจนจะมี ท, ที่สุดในฝนที่สุดไม่ใช่ใของไข่ทั้งหมดเลยจบกันเอาเพียงแค่นั้นจบคัอวไม่มีของไข่ครั้ น, นี้ถึงเรามายึดมันก็ไม่ใจ่ของเราอีกเราตายไปแล้เป็นของคนอื่นกับตกลงก็เลยสุดการแบ่งแฉก จของใทั้งหมดเป็นอนัตตาถ้านเลยพิจารณาเห็ น, นตน้นตนะ่อเป็นงะไรไหะท่านยังจบลงไปได้คนที่ไม่มีไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นของจริงมีเจ้วบอของกูของกูล่าไปอะไรก็ยึดถือล่าไปของนั้นมีอยู่จะยึดของนั้นหายไปก็ยึดเป็นทุกข์เป็นโศกต่อในนั้นอันนี้ส่วนภาย น, นอกส่วนตนตัวคือตัวของเราก็เหมือนกันในแก่ทั้งผานร่างกายที่เรียกว่าทันห้า ลูกเวทนาสัญญาทังขาใญงานที่อย the ู่ในตัวขงเรานี่รลูกคือตัวของเราเนี่ยเป็นของเราจริงหรือไม่เวทนาสัญญาทังขาใญงานเป็นของเราจริงหรือไม่ทั้งตามและค้อนขัวจริงจริงนะ่าลูกเป็นของใครที่เราอยู่นี่ที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นของเราจริงหรือไม่ถ้าเป็นของเราจริงๆริงนั่นก็คงจะไม่แก่ใครไม่อยากแก่สักคนนั่นก็คงจะไม่เก็บถ้าใครก็ไม่เจยบสักคนคงจะไม่เห่าให้ตาย เพราะการตายใครก็ไม่อยากตายแต่ไม่อยากตายมันก็ยังตายอยู่มันเป็นของใครเมื่อเป็นไปตามเรื่องของมันเราเราจะถือว่าของเราได้ไงตาตกลงในใจของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แป่ส่วนไปตามสภาพมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเป็ีนอย่างนั้นพอเราเข้ามาคลองตอนนี้แหละถือเป็นของเราเหมือนกับเราไปคลองที่ดินนั่นแ่ะคือเราไปยึดเอาที่ดินคือนาหรือที่ดินนั่นแหละเหมือนเหมือนแต่นี่อันนี้ก็เหมือนกัน เหตนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านสละปล่อยวางมาได้ท่านทิ้งอันนี้เสียปล่อยวานี้แหละยังเหลือสิตใจอันนี้ใจเกับปลากฏดช่างาเป็นเวทนาเส้นสุขเส้นทุกข์ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเป็นของใส่มีตนมีตัวมาจากไหนใครเป็นบิดามารดาต้องสุขต้ของทุกข์ขอันนั้นเวทนานะใครเป็นญาติเป็นวงศ์องสขุของทุกข์ขอันนั้นก็เปล่าเท่านั้นนี่ที่เลื่อนงจะชอบกันเท่านั้นจริงทั้งภายนอกกับในก็ชอบกัน เช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวมันมากระทบกับตายก็รากปวดละหนาวต่างกระทัดไม่สบายเรื่อนกระตบกับตายก็เพราะขายนอกมกระทบกับตายในหรือของแข็งมันกระทบกับตัวของเราหรือของนุ่มเนื้มันกระทบกับตัวเราเขารักปวดรู้สึกภูมิใจอบใจไม่ขอบใจมันก็เพียงได้แค่นั้นแล้วมันก็หายไปนี่ก็ไม่เห็นอยู่ท้าววันแน่นอนสักเท่าไรมันก็ไม่แตกต้องใจมันเกิดขึ้นมาแล้วจะหายไปถ้าอนโยบมาเรียบมันก็น้ํา ที่มันเป็นต่อมแล้วดับไปเป็นฟองดับไปเป็นฟองขึนาหน่อยเนี่ยจะดับไปดับไปถ้าเป็นอยู่งั้นแต่ว่าอาการที่มันดับไปนั่นอย่างเวทนาที่เจ็บหัวปวดท้องมากๆมันเจ็บแล้วมันหายไปเจ็บหายไปเป็นขณะขณะนิดนิดเดียวมันขณะทียิบเลยที่มันเจ็บหายไปไถ้ามันทียิบขึ้มาจะกลายเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าหายไปมันห่างมันก็ทุกข์น้อยลงไปทันที่มันเจ็บมากมันมาทียิบเลยเจ็บอันนี้หายไปแล้วก็ ขณะจิต น, นี้หายไปขณะอืน่นเข้ามาอีกขณะนี้หายไปขณะอืน่นมันชฌณาจิตขี่ยิบเราจะเกิดเกิดยากที่เราจะเกิดจังและยากที่เราจะตามรู้เพราะเป็นยาวเราในฐานสติของเรามันน้อยมีเวทนาของเกิดขึ้นดับไปแต่แต่ไม่ใช่ของใจทั้งหมดแล้วใครจะมาหล่อเลี้ยงเอาเวทนาไว้ให้มันอยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่มีและใครจะพนนนักเขาหนี้มันก็ไม่ได้เมื่อมีอันนี้เมื่อมาเกิดมาอยู่ในโลกแล้วมันก็มาป ร, รากฏอย่างนี้แหละ ขึ้มาได้ร่างกายเนี่ยสปรารกดเนี้ยจะน้าภ า, ายในกับนอกกระจบกระตบมาแล้วสปลากดอันนี้เรียวกวิทยุนานั้นก็ไม่จช่ของใครอีกเหมือนกันจำยาคือความจำก็นิแล้วจำาน่นจำนีอน่อะไรต่างจำว่าสิ่งสารพัดวัตถุที่เราจำาต่นี่ยจำเนี่นยก็หายไปจำได้น้อรก็หายไประ ล, ลึกได้นอนแค่นานนอจากหายไปลองคิดดูทั้งจะเกิดมาทัขาตั้งต่งงง น, นี้นะบางสิ่งบางอย่างที่เรา จำแนงที่สุดที่เราเกลียดเ ล, ยลืยเราโกรธเรื่อยรารักที่เราชอบที่สุดเราเคยประสบอะไรเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนกันหมดมันจะหายแบบนั้นอันนี้ตนน้นมีตัวอันนี้เรียกวิถีนาเรียกว่าิท ญ, ญาอ น, านัตตาสั้ขงขายคือความปรุงความแต่งมันแต่งขึ้นมานดียปั้นน้าเป็นตัวขึ้นมาได้อย่างที่เขา ภาษาตลาดเขาเรียกว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ต้องการรวยแล้วก็คิดปลุงแต่งอ น, นั่นก็จะได้อันนี้ก็จะดีนั่นก็จะมีนั่นก็จะวิเศษอิศวรนั่นก็ข อ, ขอกงกลัวอะไรต่างๆทุกอย่างการทําอาค้าข า, ายโอ้โหมันก็จะรุ่งจะรวยวันจังวันการทํานาเขาเสริมแตด้มันจะรุ่งจะรวยวันจังวันเล่นไพ่เล่นโป้เลื่อชื่อเลื่อตุรีกับแหมนั่มันจะรวยได้งินหนึ่งเนแจงินรักเนี่ยเนอย่างเงี้ยเรื่องสังขาร แล้วทำไมเห็นมีอะไรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็เกิดปลากรดบางทีก็ปรากฏที่แน่ที่สุดก็คือปลากรดครอบคลุมเราปรุงเราปรุงขึ้นมาปลากรมาเลยเพราะเราวางก็หายไปริ่งนั้นจะมีแล้วไม่มีก็จ่ามันมีเราปรุงขึ้นมาบางทีก็มีขึ้นมาจริงจังแต่ถึงขนาดมันก็วางมันก็หายไปเหมือนกันทั้งอย่างมันก็มีแต่เราปรุงเขึ้นมาปลากรแล้วก็นของมีขึ้นมาก็หายปรุงก็หายตามไป อยู่ที่ัอันนี้เรียกว่าสังขารก็เป็นอนัตต า, าเหมนกัญาณคือนความรู้สึกวิญญาณที่นี่ในขั้นห้านี่หมายเอาวิญญาณจริรู้จักรู้สึกในทางไอสนาตังหกคือตาหูจมูกลิน้นกัรเนี่ยกว่าวิญญาณอย่างตายเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเรียกว่าวิญญาณหูได้ยินจมูกถูกกลิ่นถูกลวดแต่แกายถูกสัมผัสตากดครั้งแรกนะตายกดรู้สึกครั้งแรกเรียกววิญญาณ และก็ต่อไปก็วิญญาณนั้นหายไป ล, ละแต่ตั้งขานไอ้สัญญาเขามาจัางแทนเนี่ยอย่างว่าเรารู้สึกว่าหนาวอย่างนี้แหละคําว่าหนาวนั่นเป็นสัญญาเป็นสัญญาเขารู้สึกทั้งแรงเน่ะเขารู้สึกทั้งแรงเป็นวิญญาเขารู้สึกหนาวนั่นเป็นสัญญาอยากจะได้้าว่าหอมอยากจะทิ้งไปเป็นสั้งขานและกันหนาวนั่นแม้มันเย็นเยือกแต่จริงๆอ้จังอันนั้นเป็นอุปท า, าน อันนี้ดวงยินยานหายก็หายว่าก็ะเดี้ยวกระดาวแค่เดียวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวยิ้มไม่มีตรงนี้ตั ว, ต ว, ต ว, ตวนี่เรียกว่ายิน ง, งานในผลที่สุดถ้ารูปรวมจะรวมแล้วว่าคือมืมถืออย่างเดียถ้าถือนานก็อยู่นานถ้าถือไม่นานก็หายว่ากระเดียวกระดาวไม่ว่าเวทนาสัญญาณที่ขาดยินยงงานลูกเแมรทั้งตั้งูปถ้าหายว่าเราไม่ยึดไม่ถือ อย่างเรา <Okay. S 1> ทำภาวนาสมาธิปล่อยวางหายไปไหนในศาสตร์โลกมนีีหายว่าไปหมดนั้เหลือแต่ความสงบสุขนั้เหลือที่จิตมันหายได้เหมือนกันรั้งที่มีนอยู่ก็นายเหตุนั้นบางคนเข้าใจผิดเลยว่าถ้าอะไรก็วางอะไรก็ปล่อยอะไรก็วางมันจะได้กินอะไรมันจะอยู่ได้ไงคนเรามิได้วางหมดไม่ใช่วางอย่างคิดิดนึกกเหมือนกันภาวานาไม่ใช่อย่างนั้นวาง ไ, ไปจูบบันวางเลย ในอุบายภาว น, นานอย่างสังขานร่างกายสิ่งตัวของเรานี้แหละปล่อยวางแล้วก็ไหายไปไหนมันก็ตั้งอยู่เนินแหละเราต้องมองอยู่เนินตั้งแต่เระวางในขณนะวางเพื่อให้จิตสงบวางเพื่ออบรมใจให้เป็นสมาธิด้วยอุบายภาว น, นานวิธีทำกรรมฐานมันต้องมีอุบายอย่างนี้ไม่เหมือนกับโลกโลกนะั้นเราจยึดอะไรก็ยึ ด, ด, ยยดแต่ว่าไม่ได้อุบายทภาวนาก็มาถานถ้าไร้ก็ปล่อยได้วางแต่ได้คือได้ความสุขสงบ โลกในนีจะเอาทั้งหมดแต่ไม่ได้ความสุขสงบนี้จะเดือดร้อนวุ่นวายตลอดไปโลกกับธรรมลงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมหรือการที่เราจะพิจารณาธรรมเราต้องสำลักใจให้เข้าถึงตควาสงบเพื่อให้ปล่อยวางจะจึงโลกเมื่อโลกจะอความวุ่นวายแล้วยังเหลือแต่ความสงบแล้วกําหนดธรรมอันนี้แหละเช่นเราจะาิจารลูกเวทนาสัญญาต่าขันยินญาในสิวันนี้นี่เป็นทิศ นี่เป็นที่ตั้งคงปปือควงบเนี่ตั้งของธรรมถ้ามาื่อปรากรขึ้นมาพิจารณาตรงที่มันสงบมันนะเอาความสงบมันนะเมื่อมันสงบแล้วถ้ายกอันนี้รูปเบทนาสัญญาทักษานยนี่ยขึ้นมาพิจาณาเรียกว่าธรรมมาตั้งลงที่ความสงบเมือ่อเราตั้งลงที่นี่เราพิจารณาเราจะได้ความลูกจะมาชัดขึ้นมาหากว่าจิตมันนั่นยังไม่สงบเต็มที่ความรูกมันนั่นจะเรียกว่าชัดน้อยใสปความสว่างน้อยไปถ้าจิตมันสงบเต็มที่นี่ สมาตรขาเทียงพอสามารถที่จะพิจารณาท่านชัดเจนแฝดได้อยู่ได้นานๆก็จะเกิดปัญญาอย่างรูง้แจ้งแทงตลอดซึ่งทำทั้งหลายคํามารู้แจ้งแทงตลอดหมายความคือรู้สิ่งที่ควรละควรเอาสิ่งใดควรละสิ่งใดควรถอนสิ่งใดควรทิ้งสิ่งใดควรรักษาในควรจะดำเนินอย่างไรต่อไปมันรู้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําได้อย่างนั้นใจด้วยจึงมารู้แจ้งชัด เ็นในธรรมทั้งหลายถ้าเพียงจะลุ้ยเฉลยละใดๆไม่รู้ถเถลยเฉยเฉยในโทษในไถ่ไม่รู้จักวิธีที่จะละอนะั้นเรียกว่าอย่างว่าทันแจ้ ง, าางอย้างว่าทันชัดอย่าว่าทันเห็นจริงอย่าว่าท่านถึงธรรมะความสองปุงริจาวติแท้จริงมีอุบายทังธรรมกรรมร็มาถามดิอธิบายมาจาวันวนี้คือว่าโดยย่นย่อแล้วแสดงว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากความสงบ อย่างเพได้เจ่าเป็นต้นเมื่อสงบได้จิตก็ผ่อนใจคำว่าสงบคือสงบละเจ้าจากความวุ่นวายซึ่งเป็นของโลกเมื่อเขา้ามาถึงตัวสงบใจอนั่นที่สงบนั้นเรียกว่าฐานที่ตั้งของธรรมเมื่อฐานที่ตั้งของธรรมนีแล้วธรรมจะมาตั้งตรงตรมาที่นั่นแหนะมาพิจารณาตรงนั้นแนะ่ะแล้วจะได้ความรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรละ สิ่งที่เราละมาแล้วมันได้รับความสุขอย่างนี้อนี้เราจะได้ละอีกต่อไปในการที่มันไม่สงบนั้นเพราะมันไม่ได้รับความสุขเดือดร้อนเพราะเราก็เห็นเราต้องการสุขอยู่แล้วเมื่อละได้ได้ละความสุขเราก็เห็นรูปทห็นทางในการที่เราจะละนั้นต่อไปอีกหรือเราจะพยายามละนั้นได้เสมอนี่ว่ารักษาไร้ซึ่งอุ บ, บายอันนั้นเมื่เราเห็นพโทษทุกสิ่งทุกอย่างในการที่วุ่นวายมัน พอมันแตกเข้ามาแล้วก็รูตัวมันทันทีเหมือนกันกับว่าคนอยู่เป่าประตูคนออกคนเข่าคนดีคนช่วต้องตรวจสา ร, รู้จักคนดีคนช่วยเฉพาะเวลาคือตัวสติการที่ทัดสติระมัดราวาะวังรักษาอย่างนี้เี่เพราะความสงบจะแพ้เพราะความสงบที่บวชบานาจะแพ้ยิ่เค่ยรู้จักตัวการคือว่าตัวกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นยิ่งว่าฐานที่ตั้งต้องทำด้วยความสงบเมื่อเราทําได้อย่างนี้ จริงใจที่ว่าเราปฏิบัติถูกถามเราฟังถามคำสองท่านเจ้าได้ความในรู้เรื่องเข้ามาเข้าถึงถูกหลักขั้งสองพระองค์ทางเทศจะทำใจให้เป็นกลางเพื่อรู้เรื่องที่ดันเทศถึงเรื่องธรรมที่เรื่องเทศในเรื่องธาตเรียกว่าธรรมธาตการตนาตรงกันข้าตั้งใจเป็นกลางไปแล้ว มันกับหัวือหรือไม่ต้องเกี่ยวของโฆษณาแล้วนะความเป็นกลางมันนะมันไม่ลงปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอนาคตเป็นตัวเพรานายในตัวคือมันเห็นใจทั้งเราใจแปลว่ากลางใจมือใจเท่าใจไม่อะไรต่างๆอยูงกลางนั้นแม้ใจคนเป็นซีสอัสดิ์ธรรมกลางอก น, น, นั่นแหละตัวใจถ้าลงกลางกลางอะไรใดนั่นแหบตัวใจให้อยู่นั่นเลก่อนอย่าไปคิดนึกทั้งเรื่องอะไรทั้งมืดให้เย็นตัวนั้นไลยก่อนอะไรมันออกจากกลางมาทางนั้นแหละถ้านีหนึ่งมันก็มีสองมีสามถ้ามีกลางก็มีไม่มีมอดีตอนาคต ไม่ também, ไม่มีกลางก็ไม่มีดีไม่ชั่วตัวกลางไม่ไม่ดีไม่ชั่วช่วยๆเดยวหรืออยากจะรู้ไปเห็นตัวกลางจะนีะเราต้องกัรนใจทดสอบดึงลองดูลอการโดยเดีนี้ก็ได้การนัดสอบกั มันมีอะไรในที่นั้นความโลภความโกรธมันมีโทสะมารักพิถีมันมีทั้งหมดความรักความชังก็ ม, มีมัน ช, มนะบบมชั่วเฉยอยู่หม่คิดมากคิดบุญไม่คิดดีสิดชั่ว